ปกติกาสร้างฝ่ายบรรพชิตเนี้อคือหักการใกล้ทาตั้งมาปฏิบัติในวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแลนตีห้าข้ามเดือนสี่ตีชวด <c oughs> เป็นวันธรรมสุนะเป็นวันพระ เป็นวันใคร่ทำต้องมาปฏิบัติที่พุทธบริษัททั้งหลัยผู้ใคร่บำเพ็ญประโยชน์มาเพ่งกุศนให้ชีวิตมีแก่นสารแล ะ, าและสาระกรรมตึกยินยาในจิตใจของท่านให้อดทนคล่่งภาวนาจิตใจจะได้เข้ามืองมาพัฒนาในสาระกรมความดีเป็นแก่นสารของชีวิตนี้มากไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ในวันนี้เป็นวันหนึ่งคือวันประทุมมอุฏบรมกษัตริย์วงจักรกลีวันเป็นวันชื่อเล็กนันเด็กเจ้พุทธยอดฟ้าสุราโลกมหาราชเป็นวันวงจกักรกลีประท ม, มะบัดบรมกษัตริย์เป็นวันหนึง่งฝันมงคลอีกวันหนึ่งแต่ปวง ประชาชนชาวไทยและชาวสยามเ็นพระราชามากระสั์ภับพิยะที่ลุงเรืองมาตามดับก็มีจารเรียหาสาระและสารธรรมเป็นกิ จ, จ ก, กรรมที่มีประโยชน์ปะจำชีวิตของท่านหลายการจะเพื่อสอนให้เป็นกัญชานั่นเองเรียกว่าสารธรรม การจเจริญกรรมาฐานการปฏิบัติธรรมต้องการจะพิจตนให้เป็นเนื้อเนื้อหาสาระชีวิตให้เต็มแก่สารแประวัตนคะเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระการจเจริญกรรมฐานทําให้ชีวิตมีค่าทําให้เวลามีประโยชน์แก่ท่านเรียกว่าสาระเป็นบทที่สร้างกิจกรรมให้กับตัวเองนั่นเนี่ยเป็นเรื่องของตนเองที่เป็น ทำตนให้เป็นการสารก็ความดีทั้งหมดในีิน่ะเป็นการสารของชีวิความดีที่จะเป็นการสารของชิวิตดาท่านตรงเจริญสกามะฐานจเจริญสติปัฏฐานสี่สร้างความดีดีให้กับตนจึงเปนเนื้อหาสาระมาเป็นการสะเวทตนให้เป็นการสาร ชีวิตแนวร่วมแนวปฏิบัติและอานำแนวชีวิตให้เดินทางไม่ทา่าดิดนั่นแหละเนื้อหาสาระเป็นการสามทิมต้นเองการบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ต้องการให้จิตใจเข้านเนื้อหาสาระมีจิตใจเช่นแข็งมีจิตใจมุ่งมาปรารถนาในความดีเป็นการสารของชีวิตนั่นเอง กัญญาก็หลบรู้แต่ไขปัญหาชีวิตจิตก็เรียกว า, ก, ก, า, าการเจริญกรรมฐ า, านการเจริญกรรมฐานจะมีประโยชน์แก่ท่านเองเรียกว่าเนื้อหาสาละ <c oughs> ท่านทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติธรรมกันในวัดวาลามก็ไม่ใช่หมายความมาเข้าวัดมาทาถวายฉลองทานเท่านั้นนะทานเนี่ยยังไม่เพียงพอ ก็ยังไม่สามารถจะเป็นสารธรรมยังไม่สามารถความดีสวายจักรทานให้เขานิ่งจิตใจและแก่นสารเนื้อหาสาระดท่านตงเจริญกุศลภาวนาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญกิจภาวนาท่านถึงจะมีเนื้อหาสาระเป็นแก่นสารของชีิตเราเพียงมาทําบุญบาปบาตเข้าขานแจงโผลมาในวัดก็ยังไม่มีเนื้อหาสาระ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 พลังมีสติทั้งมชัญญะควบคุมจิตญา้ิจิตท่านถึงจะมีกัญชาชีวิตท่านถึงจะมีเนื้อหาสาระ่ะสาขาสติมาใดท่านจะมีสตางค์นะคนเดียวนี้มีเงินมีทองมากมาย่ายกองมีเงินมีสตางค์ขาดสติไม่มีสติเลยคนประเภทมีเงินมีทองมากมาย่ายกองแต่ไม่ทําประโยชน์ให้เป็นเนื้อหาสาระ ใช้เงินไม่เป็นใช้เงินมุ่มฟวยอุ่มเฟืยอยพอไปชขาปริ้งสิโดงชขาปริ้งสิมันมีแกนสารเนื้อหาสาระ่าระการใดไหนเลยแล้วท่านจะมีความดีซึ่งใจเป็นแกนสารของชีวิตแล้วชีวิตท่านจะอับเฉาชีวิตท่านจะเบาแบบปัญญาชีวิตนี้จะไม่ไดามีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นเขา การที่มาปฏิบัติกรรมฐานต้องการสาเนื้อหาสาระอันนี้เรียกว่าแกนสารยล้วไม่ไม่ใช่ไม้ไม้ช้ำฉาไม้ต้องมีแกนคนต้องมีหลักฐานคนต้องมีงานทำเรียกว่าเนื้อหาสาร ะ, ะแกงสารเรียกว่าไม้มีแกนไม่ใช่ไม้ช้ำฉาไม่ใช่ไม้ไม้ช้ำฉาไม้ลัง ไอ้แบบที่ว่าทำกล่องไม่ขีดอย่างนี้กันซ่อนมันไม่มีเนื้อหาสาระประการใดเหมือนคนขาดความรู้มันคนไม่มีความดีอย่างนี้กันซ้อนี่แหละพระพิเศษจ่าทิมของสอนว่าสาลันจะสลรโตกันยัตตวาอาสาลันจะอาสารโตเตสะลังอภิคัสสันติสัมมาสังกับเปโสัมมาสังกับปะโอจรลัิ นี่และท่านทั้งหลายอเอ๋ยมีความหมายอันนี้ให้เราประชาชนทำตนให้เป็นการสานได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงเนื้อแท้เข้าถึงสิ่กรรมที่ปัญญาสรกรรมฐ า, านเป็นการชดเชยสังขารร่างกายซึ่งการโบติมไม่มีการสาระอะไรเลยก็าเกิดมาแล้วก็แปร ى, แล้วเปลี่ยนไปตามทุกอย่าง เรียนไปทุกทุกอย่างจนกระทั่งผลดุดท้ายทนอยู่ไม่ไหวต้องแตกดับสลายไปร่างกายหนออยู่ในสภาพไร้วิญญาณเลิกทำเลิกพูดเลิกคิดเลิกทุกอย่างต้องปล่อยวางภาระให้คนอื่นเขาจัด ก, การแทนต่อไปในแลบความดีแก่นสารของชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่าหนอ ท่านจะเอาอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนนะ้รับทางฉะสมบุญเถิดเจริญกุศลภาวนาเนี่ยท่านจะเอาเนื้อหาสาระในการสารชีวิตท่านแน่นอนชีวิตท่านจะเป็นปกติดีตลอดในการเช่นเดินจงกรมของการเดิน น, นั้นมีสติยืนมีสตินะั่งมีสติยืนห่อห้าครั้งยืนมีสติแล้ว เดินมีสติอยู่ที่ปายเ้าจะเลี้ยวขาจะแลขวาจะคู่เหยียดเหยียดขามีสติสัตมะชัญญะเนี่ยเนื้อหาสาระอยู่ที่นั้นถ้ทาท่านขาช้ากําหนดแล้วท่านจะไม่ลกลาลดขับจิตใจไม่เป็นกุศลจิตใจจะเป็นมลทินจิตใจจะเป็นบาปอากรุศลจิตใจไม่ถชน ง, งานไม่บริสุทธิ์ฝุดทองนั้นทองคําธรรมชาติที่หล่อเา เนื้อหาสาระก็หายไปเลยก็เป็นเนื้อไม้เนื้อฉ่ำฉาไม่มีเนื้อกันไม่มีการแท้แับประการใดมีแต่ไม้กระพริบตนไม้ล้มลุกเหมือนปูกปูกพริกปลูมะเขือเดี๋ยวก็ล้มลุกคลุกคลานอยากเจ็ดดีมีเจตผลไม่เป็นผลงานแปรการใดแต่ต้นไม้มีแก่เนื้อหาสาระต้องใช้ถูกมานานต้องใช้ความดีใช้เวลานาน ไม่ใช่มาก็มเก็มจ้ำจ้ำแล้วก็ได้ดีไปคงไม่ใช่ตอนใช้เวลาม้ถึงจะเป็นแกนส่วนไม้ทีแล้วปลูกนั้นจะมีแกนต่อเมื่อต้นไม้นะั้นถึงคราวเวลามันได้ที่ของมันมันก็มีกกนเหมือนอยานา่างควเราว่้าความดีเป็นแกนสารเช่นั้นความดีแกงสารของชีวิตชีวิตเป็นแกนสามก็คือมีแกงมีรากหนาะ ว่าฐานอดทนศรัทธาเมตตาสัมมชีิมีวินยัยมันจะเกิดแก่ท่านทั้งหลายไม่ลายเสะละการจเจริญกรรมาฐานท่านเข้าใจอะไรอยู่ตองการจะชีวิตเป็นแก่นสารชีวิตจะไม่มีกัณหาเพราะท่านไมีจเจริญกุศลท่านขาดสติมากคนเรามีสตางค์กันเยอะกระเป๋าอุมอุ้มกันข้งนั้นใจขาดสติ ส ต, ตางค์ไร้ความหมาถ้ามีเงินมีทองมีสตางค์ก็มีสติมีความคิดสูงมีเนื้อหาสาระเงินทองใช้เป็นประโยชน์เป็นการสารใช้แล้วให้มีประโยชน์แก่ตนและครอบครัวใช้แล้วมีประโยชน์กับส่วนรวมแล้มาร่วมกันใช้ร่วมกันสอนร่วงกันกินล่วงกันจ่ายล่วงกันใช้เป็นประโยชน์ตามสังคมของตนนี่แหละเรียกว่าสาระ การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระทำให้เราคิดยากคิดถูกคิดดีคิดมีปัญญาจะทำอะไรก็มีหน้ามีตามีหลักมีฐานมีความเป็นอยู่ชีวิตนี้แน่นอนนี่ตมาก็ขอก่าบบนกรว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันทำให้มีเนื้อหาสาระทำให้ไม้สั้ำขาเป็นแก่นถึงจะเป็นไม้กัมปูแต่มันหน้าดูมีแก่น หากว่ามันจะไม่แข็งแรงแต่เอามาลเลื่อยเข้ามาต่อโต๊ะต่อเก้าอี้เขา้ามันก็มีกันดำดำมันสวยมันกะตอนไม้ไล่กัเหมือนต้นไม้ไล่ใบเหมือนตอน้นเหมือนคนไล่ความดีมีความชั่วพนรับรองไม่สวยไม่น่าดูไม่น่าชมพี่ลมรักมันหลงสาวไม่น่ารักไม่น่าพี่ลมชมสมบัติสวัสดีเกิดมาเป็นอะไร จะเกิดมาเป็นอะไรท่านไม่มีเนื้อหาสาระนี้สาคัญมากการเจริญกรรมาฐานจึงเป็นบ่อกาเนิดเกิดของคนดีมีปัญญาเดชแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าบวชแค่จรดีทุกองเดี๋ยวใจนิสัยของคนบางคนไม่เอาเนื้อหาสาระแทรกการใดมีจตกระพริบมีแต่มอดจิ้นเนื้ออ่อนมอดจิ้นเพราะทำไมอ่อนมันอ่อนเกินไป มันไม่แก่มันไม่แน่นะมันไม่มีเนื้อหาสาระเลยสาระธรรมไม้อ่อนมากมันจะปลูกไว้ ม, มอดมั น, จะจะนม ก, ก็จะกินไม้แก่แข็งแรงมีแก่นแก่นขามแก่นไม้กระดูกไม้แดงมันใช้เวลานานมากาการเจริญกรรมาฐานจึงต้องใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆจนเนื้อหาสาระจนความดีเป็นเก่น ของชีวิตแล้วชีวิตท่านจะสงสัยชีวิตท่านจะมีปัญญาชีวิตท่านจะแก้ปัญหาผมปรารถนาได้ทุกคนนี่เรียกว่าแกรสารแกนสารตัวนี้แปลว่ากันของชีวิตสารธรรมที่มีประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นมีทั้งเมตตามาตรงแข็งนอกกับมากอะแขง็งในมาตรงแข็งนอกคือข้างนอกก็อดทนข้างในก็อดทน ตูงแข็งนอกมาก อ, อกมาแข้งขางในจิตใจก็สบายทั้นสิธรรมเกิดขึ้นแต่มาตูงแข็งนอกมาเกาะแข็งในนั่นเรียกว่าแก่นสารเนื้อหาสาระมีทั้งแก่นนอกแก่นในมีทั้งจิตใจเป็นมงคลมีทั้งสร้างผู้สอนผลบุญให้เกิดอบอุ่นในใจทำอะไรก็อบอุ่นตลอดเลยการนี้เป็นเนื้อหาสาระถ้าคนที่ไม่เจริญกรรมฐานจิตใจจะไม่มั่นคงเลย ทำอะไรก็ละหลวมลเละแหลเหลวไหลอย่างนี้เรียกว่าชีวิตไหนแล้วจะเป็นแก่นสารของชีวิตนั้นคําว่าแก่นสารหายไปมีแต่กะพี้มีแต่เปรือกมีแต่มนุษย์บุรุษคมลอยเศษมนุษย์บุรุษคมลอยไม่เอางานเอาการคนที่ขาดเนื้อหาสาระและสารธรรมจะไม่เอางานเอาการแน่นอนทํำไรหยอหยอใหญ่ใหญ่ทำทำ ท, ำทิ้งทิ้งคว่างควา หม่เอางานเอาการเห็นอะไรก็เหยียบสรงทานหน้าไปเหมือนปัดสวะออกจากหน้าบ้านของตัวเองเท่านั้นน่าจะเก็บสวะเอามาใช้เป็นประโยชน์อ่าไปเฉือบสวะให้ไรอยแพะบ้านอื่นเขาอีกทาําความเดือดร้อนให้บ้านอื่นเขาอีกนี่น่ะนี่นะท่านทั้ ง, งหลายเนื้อหาสาระอยู่ตรงนั้นหรือจะตามได้ไม่แต่ให้หรือช่วยแต่การได้ไม่มีเลย อยู่อย่างชมเชยจะคนเดียวไม่อยากจะต้องพึ่งใครคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกแน่นอนจะต้องพึ่งเขาแต่ตัวเองไม่พึ่งตัวเองจะไปรอพึ่งคนอื่นเขานั่นจะไม่มีเนื้อหสาระจะไม่มีสารธรรมไปจาสิตไปจำใจำ จ, จะไม่มีหน้าที่การงานของตนเองจะอายพบกินตลอดไปกระทั่งตายจะผิดหวังอย่างน่าเสียใจคนที่พึ่งตัวเองนั้นน่ะ จะมีหวังมากกว่าไปพึ่งคนอื่นเขาคนนั้นจะมีเนื้อหาสาระแน่นอนจะหวังพึ่งกับคนอื่นเขาจะผิดหวังอย่างน่าสิดาหวังพึ่งโลกคนเล็กมันจะได้ช่วยเขาก็ไม่เคยช่วยเราในฐานะเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเราก็ผิดหวังอย่างน่าสิดาตายไปนรกพึ่งตัวเองเถิดจะเข้าเฉลกแกชะลาแค่ไหนก็จเจริญกรรมาฐานพึ่งตัวเอง ทำให้ความดีเป็นแก่นสารของชีวิตติตัวท่านไปถูกกระจิงปฏิการขาถูกกระจิงปฏิกร่างขาถูกถูกแบบถูกบททําได้ถูกแบบถูกบทมันจะเริหมดจดหมดเจาะท่านจะได้ดดดไพึ่งคลายแก่แล้วพึ่งไม้ากัดเท้ายันเตยังตายงายังหน้ายังหลังนาข้าเป็นกระพึงสกัดเท้าไม่ได้ก็ต้องทิ้งสกัดเท้าไปต้องนอนหงายพึ่งเียกโทษเปลี่ยนตัวตาย ไม่มีใครไปอีนานขงขังพ่อท่านแน่นอนพ้นจากตัวเราเองเท่านั้นสงตามชีวิตให้มีค่าให้เวลามีประโยชน์ต่อชีวิตเราจะเท่าจะเล่แกจะละาพะยงไงก็ขอให้ชีวิตเก็นการสารไปไหนมีคนนับหน้าถือตาจะแก่ไปแค่ไหนจะแยกแค่ไหนอย่างไรอย่าลืมพระคุณของตัวเองบุญบุมพระคุณของบุคคลมีพระคุณอุ่นใจเป็นต้น อาตมาไม่เคยลืมพระคุณใครเลยแต่เป็นเด็กๆมาเราจึงเจริญรุ่งเรืองของเราวัฒนาคารพรคาพรเราจะหาแต่เนื้อหาสาระและแก่นสารอย่างนี้เสมอมาจะไม่ขออย่างอื่นคนเราเนี่ยจะเป็นตาสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นแม่ชีจะเป็นอุบาสก บ, บริกาก็ตามมันดูกันที่สาระธรรว่ามีสาระธรรมมีเนื้อหาไหมมีความดีเป็นแก่นสารนึกคิดของเขาไหม ชีวิตมีประโยชน์ต่อตอนแล้วครอบครัวและสังคมไหมเขาดูกันตรงนั้นมีเมตตาสามัคคีไหมมีวินัยมีความดีมีสัจจะมีเหตุผลดีหรือไม่สะกาได้มันจะออกไปอย่างนั้นชัดเจนดังนั้นขอให้นฟังคำทางเพยเปรียบเทีย ก, กับกรรมาฐานว่าเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนระการดทางโล ก, กทางธรรม มี่พูดทางธรรมมาแล้วตอนเจริญกรรมฐานจิกใจท่านจะมั่นคงกำลงศาลถ้าไม่เจริญกรรมฐานเนี้ยจิตใจไม่มั่นคงศิลก็ไม่มีอยู่กับตัวท่านไม่จําเป็นต้องไปรักกับพระศิลหมดไปเลยขาดสตินั่นเองค้นขาดสติแล้วจะไม่มีให้ผลไม่มีเนื้อหาสาระจะมีสิ่มีธรรมด้อย่างไรคนที่มีเนื้อหาสาระจะมีทั้งสิลมีทั้งธรรมมีทั้งกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตน และประโยชน์ส่วนรวมและประเด็จประโยชน์ต่อประเทศชาติมันมีประโยชน์มากมายหลายประการดังนั้นขอท่านภูบาศกปริการทั้งหลายโปรดได้จ้างกายทำเปียบเทียบทั้งเคยให้เห็นยกเป็นตัวอย่างสั้งดาบโลกธรรมเพื่อจะไปพิจารณาในจันทร์สารเนื้อหาสาระว่าเป็นอย่างไรขอติตามฟังเนื้อหาสาระอาจเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่เปียบเทียบ และฟังเคยในเรื่องยกบารีไว้ในเมื่องตอนนี้นคือสารธรรมขอท่านกำหนดจดจำานะได้ฟังติดตามต่อไปณนะโอกาสแบบนี้ขอจเจริญพรเจริญสุกโดยทั่วหน้ากันณนะโอกาสแบบนี้ตอนนี้ไปก็จะเปรียบเทียบชี้แจงสแสดงบรรยายถึงเรียกว่าความดีเป็นแก่นสายคุณชีวิตนั่นอย่างไรสมดังในแห่งพุทธภาสิทิวะ อาจิลังวัจยางกายโยปัชวิงอาธิเศสติถุโถอเปตวิญญาโนนิรัตถานวะการินคลานช่วระยะเวลาไม่นานนะเมื่อร่างกายนี้จะได้จากวิญญาณแล้วก็จะถูกทอดทิ้งลาวกับไม้ท่อนไม่มีประโยชน์อะไรทช้นนั้นเพราะความจริงของร่างกายมีอยู่เส่นนี้เนี่ย ทุกคนจึงไม่ควรหลงติดเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นควรจะได้หันมาปรับปรุงร่างกายนี้ให้มีการสารขึ้นให้ใ จ, ใจิตใจด้วยการช่างความดีการเจริญกรรมาฐานให้มากๆเพราะคนที่ทำความดีไว้ถึงจะแก่ก็ชื่อว่าแก่ดีถึงจะตายก็ชื่อว่าตายดีเหมือนกับมีดที่กร่อน ไปด้วยการใช้ดีกว่ากลอนไปเพราะเป็นสนิมกินเหล็กทะลุหมดดีกว่ากานอย่างนี้ผู้ฉลาดคือผู้ที่ยึดถือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่มีสาระแต่ว่าการที่จะทำตนให้มีกันสารได้นะั้นอย่าเพิ่อยู่ที่ความรู้อย่าที่มากล่าเมื่อคือนนะี้พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด พ, พัฒนาความคิดพัฒนาความตั้งใจพัฒนาประสบการณ์ตัหาชีวิตนี่แหละความรู้ความเห็นเป็นสำคัญคือถ้าเห็นถูกแล้วการทาการการทาการพูดก็ถูกตามไปด้วยอย่างที่กําหนดก่อนจะพูด ก, ก่อนจะทำได้ยินเสียงก็กําหนดเสียงหนอเห็นหนอเป็นต้น คิดหนอเป็นต้นนี่หลักปฏิบัติขึ้กนการศาลดังพระพุทธภาษิตที่ว่าสารลังจากสารโตยัตวะเป็นอภิความว่าชนเหล่าใดรู้สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไรสาระก็รู้ว่าไรสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดํำมีถูกต้องเขาย่อมประสบสิ่งอันเป็น สาระดังนี้นาคาฉานี้ท้าบรมศาสตราจัดปลารบราภาษาวกทั้งสองคือพระโมกขลาและภาษาริบุตรที่ท่านได้กลาวทูลเล่าเรื่องราวของท่านผลหลังถวายเนื่องจากชีวะประวัติของท่านภาษาวกทั้งสองนี้น่าศึกษามารถให้ทั้งความรู้ให้ทั้งข้อปฏิบัติ ดังนั้นก่อนอื่นจึงขอถือโอกาสพาท่านผู้ฟังศึกษาประวัติของท่านดูบ้างท่านคงจะเคยเห็นโลปอนุสาวรีย์พระอาเยสงสองรูปซึ่งประดิษาฐานอยู่ข้างพระพุทธรูปบางแห่งก็สร้างเป็นรูปยืนบางแห่งก็สร้างเป็นรูปนั่งป็นนมือในลักษณะขาวายความเคารพและบูจาเจ้านี่แหละ คือคู่หาภาษ า, าวกที่กล่าวถึงต่อไปนี้เบื้องซ้ายนั่นคือพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นเอตัคถท ะ, ท ะ, ทะทางมีลิเดตะเดชาอุภาพ <c oughs> ส่วนเบื้องขวานั่นคือภาษาลิบุตรเป็นเอตัคถ ะ, ะทางปัญญา ม, มาประวัติเดิมของท่านทั้งสองเป็นบุตรพราหมณ์ผู้มัางคั่ในเมืองราชพฤกษ์มือชื่อ ในสมัยเป็นคาวาะว่ามีชื่อในสมัยเป็นคารวกว่าอุปติสะพริพาชกและโกริตะพริยาชกเป็นเพื่อนสนิทรักใคร่กันมากใช้ชีวิตอย่างสํำราญเยี่ยงชายหนุ่มที่ร่งรวยทั้งหลายวันหนึ่งพางการไปดูมหัศจรลอ์ตลอดเวลาหาได้สนุกลื่นเลงอย่างเช่นเคยมาก เมื่อเห็นอาการผิดปกติของตาและตางขึ่นนั้นจึงเกิดายถามกันขึ้นก็ได้ความตรงกันว่าเช่าใจเช่าใจที่มหัศจรรพ์เหล่านี้ไม่มีสารบประโยชน์อะไรทั้งคนดูและคนสะแสดงไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายหมดเขาจึงปรึกษาตกลงกันว่าควรหาทางคนทุกข์ดีกว่าจากนั้น ก็ได้พากันไปบวชอยู่ในสำนักอาจารย์สมชัยถึงมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสมัยนั้นั่วเวลาเพียงเล็กน้อยก็จบการศึกษาต่างมีความเห็นตรงกันอีกว่ารัที่นี้ไม่ใช่ทางคนทุกข์แน่เขาจึงขอลาออกจากสำนักอาจารย์สมชัยก่อนแยกทางกันได้ให้สัญญากานไว้ว่าถ้าใครพบ อาจารย์ที่สามารถบอกทางคนทุกกาขอให้ช่วยส่งข่าวให้กันและกันทราบห้วยต่อมาท่านอุปติสะได้พบท่าอจชิซึ่งเป็นพระเถรละลูกหนึ่งในจำนวนห้าลูกที่เรียกันว่าปันตุวะทีชังห้าซึ่งขณะนั้นท่านกำลังบิณฑบาตอยู่เห็นแล้วก็รู้สึกเลี่ยนใสในมารยาของท่านมากคอยอยู่จนได้โอกาสเหมาะถึงเข้าไปหา และปฏิบัติจนท่านฉันเสร็จต่อมาได้ฟังธรรมของท่านก็ได้บรรลุพระโสดาบันภายหลังจากนั้นมาไม่นานนะักสหาหิโกริตะก็ได้บรรลุพระโสดาบันเช่นอยู่กันก็ได้ฟังธรรมที่ท่านผุปฏิสระนํามาแสดงและก่อนที่สองสหาหิจะไปเฝ้าพระบรมสารีรัตน์ทีพ่พระวีหารเวรุวันนั้น ไ, ได้พาการได้พากไปชวนเชิญอาจารย์นรยุนชันหรือหาใส้เฝ้าพระพุทธเจ้าหมดแต่กลับได้รับการปฏิเสธอย่างแข็งขันเมื่อหมดโอกาสเช่นนั้นแมวท า, างทั้งสองจึงจำใจลาอาจารย์พาบริวารสองร้อยห้าสิบลูกคนสอง้อยห้าสิบคนเข้าไปเฝ้าพระบรมศารยอาจารย์หอองค์ชองประชานอุปสมบทให้ ภายหลังจากที่หมดแล้วท่านอุปติสสะได้นามใหม่ว่าภาษาลิบุตรเพราะมารดาของท่านชื่อนางสาลีส่วนท่านโปลิะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะเพราะมารดาของท่านชื่อนางโมคคัลลีต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเนื่องจากภาษาลิบุตรมีปัญญาเป็นเลิศ ข้าบรมศาสดาจึงทรงสร้างท่านในตาแหน่งเอสสัททะเลิศทางปัญญาทรงตั้งพระโมคคัลลานะในตาแหน่งเอสสัททะเลิศทางฤทธิ์ทั้งสองได้บังเพนประโยชน์ผิดแก่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลพุทธศาสนาได้ชนต่างสํำนึกในบุญคุณของท่านเป็นอย่างมากจึงได้ชรางลูกอนุสรณ์เฉมลีของท่านไว้ สำหรับจาักราบบูชาดังที่เห็นตะกฏอยู่ทั่วไปในหลวงโบสดมีพระโมกัลาสาลิบุตรวันหนึ่งท่านทั้งสองได้มีโอกาสกราบทูลเรื่องราวแต่หัวหลังของท่านถาวายพระบรมศาสีดาพระองค์กล่าวว่าพิสูทั้งหลายอาจารย์สนชัยยึดถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระส่วนสิ่งที่เป็นสาระเพราะว่าไม่มีสาระ ข้าอาจารย์ผลชัยมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิชฌ์ส่วนเธอทั้งสองเห็นสิ่งที่เป็นสาระข้ว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ลายสาระก็ว่าไม่มีสาระแล้วละสิ่งลายสาระเสียได้ยึดถือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระเทนั้นก็เธอทั้งทั้งหมดเธอเป็นคนฉลาด แล้วพระองค์จึงได้ทรงพาสิข า, าดังที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นเบื้องตอ้นมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงพระพุทธภาสิคนี้เป็นเครื่องสอนใจให้ทุกคนเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงคือสิ่งใดดีก็ให้เห็นว่าดีสิ่งใดชั่วก็ให้เห็นว่าชั่วอย่างอย่าบังคุ้น ไปเห็นกลับการเทียชนิดเทีย่เรียกว่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวหรือเห็นดอกบัวเป็นกลงจักอะไรทำนองนี้นั้นเพราะความเห็นเป็นสิ่งสําคัญมากลงได้เห็นผิดนะจะทําผิดจะทําจะทําก็ผิดจะพูดก็ผิดอาจารย์ผลชายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นนอกกรูนอกทางเลือดมั่นอยู่ในลัทธิเดิม ซึ่งหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้กระทั่งที่มีกู้ให้ให้สติแนะนำให้เดินถูกทางก็ไม่ยอมฟังเสียงปากหลักมั่นไม่ยอมถอนไล่กับเรี่งหนอนที่เล่ากันมาเป็นกติว่าเทวดาที่ถึงหนอนซึ่งเมาชากอนเคยเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันลักใครกันมากหากแต่ว่าทํความทั่วตายแล้ว จึงไปเกิดเป็นนอนอยู่ในชั่วส่วนตัวเองเกิดเป็นเทวดาเพราะจำความทำความดีไว้เมื่อเทวดานึกถึงเพื่อนเก่าซึ่งเกิดเป็นนอนเช่นนั้นก็สงเพศเวทนาจึงลงมาชวนให้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันโดยพรรณาว่าบนสวรรค์นั้นสุขบายทุดอย่างเช่นเรี่ยงอาหารการกินก็บริบูรณ์อย่าง เมื่อลายอยากเมื่อลายก็เนลเมตเอาได้ตามต้องการแต่แต่เพว่าหนอนกับปฏิเสธโดยอ้างว่าที่นี่สบายกว่าบนสวรรค์มากมายนะักเพราะเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงพยายามหาพยายามมีอาหารอยู่แล้วนอนาจารร้อนใจมีคนคอยเนลมิตให้ยังเหลือเหลือเหลือเือปลือก ไม่ต้องอนทอนร้อนใจมีคนเนิมิตให้ทุกวันมีคนคอยนิมิตรให้อย่างเหลือเพื่อกินไม่หวัดไว้ผลดุท้ายเทวดาก็ต้องกลับนิมานไปด้วยความผิดหวังเนี่ยนอนบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเทวดาบนสวรรค์ไม่จองนิมิตของเรามีคนนิมิตให้อุจจละลงให้เรื่อยกินทุกวันบอดี้บูลในช่วนี่เทวดาก็เลยกลับสวรรค์ไปโดยผิดหวัง นี่แหละเรื่องของการมองกันคนละยานมองกันคนละแหน่แต่ถ้าใครมองแหน่เสียเป็นแหน่ดีอย่างอาจารย์สฉนชัยก็มีหวังตกอับถึงแทนที่จะถอนตัวออกจากทัทธิเดิมแนละ้วเข้าไปพึ่งร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนากลับยืนกลางอยู่ในภาวะเดิมแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์สฉนชัยก็ยังคงเป็นอาจารย์สฉนชัยที่เย็ยนว่า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 องศาอื่นๆเพราะท่านเห็นว่าลายสาราะไม่ใช่ของจริงที่จะทำให้คนทุกดาทั้งๆที่ชื่อก็บอกดูชัดๆแล้วว่าเล่นคือไม่ใช่ของจริงนั่นเองถ้าใครขืนจะมาหาสาราะในของเล่นเหล่านั้นพ่อเท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขาก็ตายซึ่งไม่มีวันจะพบในเดินนี่แหละรู้เรียนรู้เล่นเป็นเวลา อีกอย่างหนึ่งท่านเห็นว่าทั้งคนเล่นทั้งคนดูไม่ถึงวาตีิข้อตายหมดความจริงแล้วเรื่องตายนี้พระพุทธเจ้าจะสอนว่าให้มันนึกกันไว้เสมอเพราะเป็นเหมือนห้ามห้ามล้อป้องกันการหลงรักหลงชังหลงเคลา้าได้อย่างสติดังประพันธ์พาถิกของพระมาหาเถระรูกหนึ่งว่า นึกถึงความตายสบายนะมันหักล้หักหกลงในสงสารบำเทาเมืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจและข้อเรื่องตายนี่เองที่เป็นจุดแรกที่ทำให้ท่านทั้งสองสังเวชใจแล้วทิ้งสมบัติอันมหาศาลออกบวชที่ว่าประวัติของท่านตอนนี้ น, ะนับว่าเป็นคติดีมาก ก็สอนไม่ให้เด็กในการเล่นจนเกินตายควรดูบ้างพอเป็นเครื่องพักผอนหย่อนใจเพื่อคอลายอารมณ์ที่เคร่งเครียดในการงานอย่าให้ถึงเข้าัําเสียการศึกษาเล่าเรียนและเสียการเสียงานเป็นใช่ได้นอกจากนี้ตอนที่ท่านอยู่กับอาจารย์ต้นชายก็ตั้งใจเรียนอย่างจริงจังทั่วเวลาเพียงทั่วเวลาเพียงยลกน้อย พอเรียนสาเร็จจบการศึกษานี่แหละแสดงว่าวิชาทุกอย่างถึงจะยากอย่างไรก็ตั้งใจจริงแล้วยากก็เหมือนง่ายใหญ่ก็เหมือนเล็กฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรท้อถอยจงตั้งหน้าศึกษาแล้วเรียนรู้อะไรก็ไม่ซู้รู้วิชาไปเบิ้มงหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ เมื่อท่านจังสองเรียนจบแล้วพิจารณาว่าเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แน่ท่านจึงเปลี่ยนทางใหม่ด้วยสัญญากันไว้ว่าหากใครพบอาจารย์ดีก็จะต้องลงข่าวให้ทาารทราบปันทีครบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นหลังจากที่ท่านอุปฏิสาปริภาชคได้ฟังพระธรรมของพระอาจรารย์ที่โฉนฉเดชโดาบัแล้วท่านกอ น, น้าข่าวนี้บอกแก สิยาสหายโอดิตะนี่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุกริตที่รักษาคำมันม่นสัญญาไว้ได้อย่างมั่นคงทั้งสอถึงความเป็นมิตรที่ดีชักชวนกันแต่ในทางที่ดีมีประโยชน์ซึ่งผิดกับเพื่อนบางคนที่คอยแต่จะชักพาการเข้าลกเข้าพงผลสุดท้ายก็เสียคนซึ่งเรื่องนี้คอยละมัดระวังกันไว้ บ้างก็จะปลอดภัยดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือมารยาภรณ์ ง, งามของพระอัจชริตที่สามารถถูกใจท่านอุปจิษะให้เลื่องใส ย, ยองเป็นสิทธิ์ได้ทั้งๆ ท, ที่นับถือศาสนาอื่นเรื่อ ง, สงเสนอนี้ชื่อว่าทุกท่านคงชอบและอยากมีควรหันมาปรับปรุงกายของเรา วาจาของเราให้ดีให้อยู่ในกรกรรมาฐานลักษณะที่เรียกว่าทำอะไรอย่าให้เขาขัดตาพูดวาจาอย่าให้เขาขัดหูเพียงเช่านี้ก็มีเนสมไปแล้วมีความกตัญญูกตวเวชีต่อผู้มีบุญคุณและเมตตาการุญเมืองนานอีกตอนหนึ่งที่ท่ทั้งสองเข้าไปชวนอาจารย์ เพื่อให้ไปเฝ้าพระบรมศาสดานับว่าท่านมีกตัญญูดีมากเพราะเมื่อตนได้พบของดีแดก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์แต่งานที่ได้ที่อาจารย์ส่านช่าไม่ได้สนใจใหญ่ดีปฏิปทาของท่านทั้งสองนี้ควรที่ทุกคนจะยึดเป็นแบบคือมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของท่านต่อพ่อต่อแม่ของท่าน และผู้มีประคุณผู้ทั่วไปเพราะแต่ล้มไม้ที่ให้ความร่มเย็นยามเดินทางคนดีเขายัางไม่กล้าลิกกล้าลิ์เก่งจะประการใดเอาไว้าล่ลมหนาวเพราะเขาทำนึกถึงบุคคลทำนึกถึงบุญคุลต้นไม้นั้นดได้จะน่ายงไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีประคุณล้นเหลือ ไครหนอจะลืมท่านได้ลงคอละลรู้จากเสียสละด้วยการตัดบวงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้นก็คือการตัดบวงซึ่งท่านทั้งสองตัดได้หมดทั้งบวงนอกบวงในบวงนอกคือสมบัติอันมหาศาลที่ท่านตัดทิ้ ง, ง, ง, งแล้วออกบวชซึ่งเราควรยึดแบบของท่านไว้บ้างแต่ก็ไม่ใช่หมายมความว่า จะเกณฑให้ทุกคนพากันทิ้งสมบัติแล้วกขวัดเพียงแต่ว่าให้รู้จักเสียสละกันบ้างสามสมควรโดยเฉพาะท่านที่มีทรัพย์สินเหลือทินเหลือใช้หากจะได้สละออกมาช่วยคนยากจนช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยห่องงามหรือเป็นหมหาปุษตรช่วยคนที่ไม่มีทุนการศึกษามูนิทิทันเกษิฐ ดีกว่าจะกัดทุนสะสมบำเลวว่าความสุขเฉพาะในวงแคบในครอบครัวด้วยความภูมิใจที่ได้อยู่บนกองเงินกองทองใะนั้นในกระทะของคนสิงของเตาวแล้วก็ะอสมบัติจะไปเพ่งสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลานยื้อแย่งกันอย่างธุรมูลวุ่นวายแต่สำหรับศพนั้นรับรองว่า ไม่มีขายแย่งแ่อันธรรมดาต้นม้ยังมีอะไรดีๆที่ออกจากลำต้นให้ประชาชนได้อาศัยส่วนเราเล่าได้ทีออออะไรให้เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างโปรดคิดดูเถิดข่านสาทุกชนทั้งหลายบ่วงอีกบ่วงหนึ่งคือบ่วงนายได้แก่พิเรศซึ่งข่านทั้งสองสลัดทิ้งจนจิต บ, บริสุทธิ์ ได้ตะลุวิมุตเป็นพระอรหันต์ดางกล่าวมาสมบัติก็ดีทีเด็ดก็ดีที่จัดว่าเห็นบ่วงก็เพราะเป็นเครื่องผูกมัดรักษ์โลกให้ติดอยู่ในกองทุกข์ฉะนั้นเมื่อคลายตัดได้ทุกข์ก็ไม่มีนับว่าทางทั้งสองนี้ได้ส้างชีวประวัติอันงดงามไว้ให้พวกเราได้ศึกษาในเชิทงทำชีวิตให้เป็นสาระประโยชน์ ด้วยการบาเพณความดีต่างๆย่าท่างมาว่าชีวิตนี้น้อยนักทั้งไม่มีแกนสารอะไรเราจะอยู่อาศัยโลกนี้อีกคนละไม่กี่ปีเราก็จากกันไปแล้วแต่นั่นจึงควรสร้างความดีทดเทยไว้ให้มากๆอนุภาพของความดีที่สร้างไว้ก็จะบันดาลให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า าวาสนาบารมีแก่กล้าก็เจนนำมาให้คนทุกข์ถึงพระบร ม, มสุขคือพระนิพพานโดยทั่วนาคันอากรามภาพาในปัญญาเรื่องเนื้อหาสาระอัสาระธรรมเป็นแก่นสารของชีวิตมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เทียนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทุธบริษัททางร้านทั้งฝ่ายบรรพิต ก, กาลิหัต ขอความเจริญงอกงามไปบู์มีแก่ท่านทั้งหลายในรันสัมมาปฏิบัติหน้าที่และจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาพละปฏิภาณศาสนาสาสมบัติเนืกเก้นอเคสเกับการได้สมความมุ่งมาตัถนาด้วยการทุกขูรุทุกนามหน้าโอกาสบันนี้เทินเจริญพรญา่าพี่น้องผุ้ต่สานิจ ในท่านอุบาสกบาติกาในทางพระพุทธศาสนาใคร่ต่อธรรมสัมมาปฏิบัติในวันนี้นะ่ะเป็นวันธรรมชนะิฬนเป็นวันพระแรงที่สี่ข้ามจาจุตโสเดือนสามสิ้นเดือนแล้วในวันนี้นะ่ะสิ้นทั้งเวลาสิ้นทั้งเดือน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 ว่าชีวิตนี้นะ่ะคือเวลานี่แน่ย่อมมีเชา้ามีสายมีบ่ายมีเย็นด้วยการทุกโคนพราทิตหนอไม่เคยค้างฟ้าขึ้นมาแล้วกว็ตกไปบักนี้และเวลานี้พราทิตก็ชายมาพลับเลี้ยวลักอับสดงคดแล้วกว็ตกตัวไปแล้วณนะบักนี้ ชีวิตขอท่านทั้งหลายที่เกิดมาก็มีเช้าลุ่งอรุณมันเกิดมาจากท่าพลาของมารดาก็จเจริญวัยชายยังสาตลอดมาก็ไปถึงสายไปถึงบ่ายถึงเย็นเวลาก็หมดไปคล้ายก็ว่าพระอาทิตย์ไม่เคย้างฟ้าขึ้นแล้วก็ยอมตกไปเป็นธรรมดา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 สิ้นเดือนสามก็มีแค่แลมที่สี่ข้ามเดือนขาดแถมเดือนนี้กุมภาพันมาคุตสาตลาดสองพันห้ารอยสามทีแปดก็มีเพียงยี่สิบดวันคือวันนี้เช่นเดียวกันมาตรงกับเดือนขาดพอดีตรงกับวันที่ยี่ยี่สิบดนะกุมภาพันมาสิ่นเดือนของกุมภา และก็ไปตรงกับสิ้นเดือนของเดือนสามแลนที่ 4, สี่จะสุขโสแลนที่สี่ข้าเดือนสามขาดทั้งเดือนหลวงเดือนราะขาดทั้งชีวิตจิตใจของเราก็หมดไปหนึ่งเดือนและเวลาแล้วชีวิตของท่านอย่าประมาทคือเวลาย่อมมีเช้าสายบ่ายเย็น พระอาทิษเอย๋ยไม่เคยคําฟ้าเลยเราทุกคนก็คงจะไม่อยู่ศีษะคําฟ้าแน่นอนขึ้นมาแล้วพระอาทิก็ต้องตอกเราเกิดมาแล้วก็ต้องจาเป็นจะต้องตายด้วยกรรมทุกคนแต่พี่น้องที่รักท่านกาลังเช้ากําลังรุ่นอรุณีร้องอเอาแหวกเกิดมาข้อเช้ า, ารุ่นอาลุน แสงเงินแสงทองส่งล่าส่องหาสวย ง, งามแล้วก็จเจริญวัยชั้สาไปตามลำดับกอต่อไปก็มีสายแล้วก็มีบายแล้วก็ตรงไปเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละหนอ้อเหมือนข้าทิศไม่เคยข้างฟ้าขึ้นแล้วก็ต้องตกไปชีวิตเราเกิดมาก็ต้องแกอ่อนเจ็บ ต้องตายเลือกการทุกข์ลายไม่มีใครค้างอยู่ได้เหมือนชาติพิศไม่เคยค้ามฟ้าเวลาไม่คอยชาใครแล้วเย็นแล้วหนอเสืพ้พัน้าวพนอคอเรียเลยโอ้แล้วหนอเย็นแล้วหนอแล้วจะต้องพระอาทิตดับตกไปแล้ววันนี้พระจันทร์ก็หมดแวงมาก็หมดไปแล้ว นับวันก็จะขึ้นโบลา้สว่าข้างึ้นเดินหงายข้างแลมเดินมืดคนเราก็มีช่างสวา่างมีช่างมืดมีช่างกลางวันมีช่างกลางคืนมีช่างผู้หญิงมีช่างผู้ชายมีเท่านี้เองแต่ท่านจะตรีความชีวิตท่านเป็นอย่างไรก็ตามทีเ่เิดท่านจะประเสริฐตรงไหนก็ไม่เป็นไร ขอโตบฟังไว้วันนี้จะชี้แจงสแสดงเรื่องกรรมาฐานคืนฐานบานก่ น, ส, นส่งเสริมบุคลิกลักษณะส่งเสริมบุคลิสภาพของมนุษย์อย่างไรขอท่านสาธุชนติดตามฟังติดฟังณโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเจริญุกโดยทั่วนากันณ์แบบนี้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 ขาดวาสนะนํำส่งกุศลก็ไม่ช่วยถึงพราวมวยก็มวยมรณาออกไปอย่ามหน้าใจหายยามเย็นเห็นอะไรน้ำใสเห็นตัวปลาวายแวกทาลาในสาชนน้ำก็ใสไหลไม่ขาดสายชงวาดขาดได้อย่างไรน้ำเอ๋ย น, น้ำข่าน้ำบ่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 น้ำใจน้ำเมตตากับใครเขาบ้างไหมดูตรงนี้เรียกว่ากรรมฐ า, านพื้นฐานของขดรายเจงได้กล่าวได้ว่าวัดอัมพวันเรียนกรรมฐ า, านพื้นฐานพื้นฐ า, านมนุษย์ให้มีหลักฐานอย่างนี้ให้มีงานทำจะมีคู่ครองก็ขอให้เป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษย์จะทำพันในชันงคอ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 อาตมาก็ไม่ทราก็ต่อไปอย่างคนงโง่ว่าวัดนี้ต่อยามไม่เป็นไม่รู้จะต่อยานอันใดา ย, ยานแปลว่าลายโยมตอบให้ตมาฟังธ์ทางโทรศัพท์ยามแปลว่าโสดายามแปลว่าผู้อริยะแต่โยมตอบยามอย่างนี้ผิดไม่ถูกต้องของยามต่ำมาอาจจะถูกยานของโยมยานทีิพย แต่หอสมาชอบต่อยานอย่างยานคือพาหนะต้องการมีพาหนะจะไปสหรัฐอเมริกาก็ไปยานเครื่องบินต้องายกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินก็ต้องไปยานรถถ้ารถเสียรถเก่าๆทิ้งก็ช่างไม่ทิ้งก็ช่างอาจจะไปเสียที่ลังจิตหรือคลอ ง, 1, องหอนึ่งคลองหลวงปุมธานีราชะบุรีรัฐ ก็อาจจะเป็นไะยานไม่ดีแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเรารถมันดีเครื่องโยนดีคนขับดีแล้วยานนั้นอาจจะถึงได้ไวฉับฉันชัาเวลาเย่ยานก็ตามมาอย่างนี้แต่ยานก็โยมเนี่ยนะโยมเคยทำที่ไหนฉันเคยทำที่กรุงเทพเจ้าค่าผู้เสียงเย็นเหมือนแม่นมาควัดมหาบุตร ออขอเจริญพรสุดซึ่งก็สีส่ทุ่มแล้วอาตมาคิดผิดเข้าใจไปว่าเมนะจะโทรมาต่อยานญาตมาแทๆจริงๆขนหัวลุกโอ้โหจะต่อยานโสดาอาตมาไม่มีแล้วขอผากยานญาโยมวัดนี้สอนพื้นฐานตามๆสอนชั้นอนุบาลสอ น, นอนุบาล อ่านตัวออกไหมบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นไหมเห็นตัวตายไหมคลายทิศขี่ไหมดำลิชอบไหมเราตอกผู้สนได้ผลนาไปขลับฐาทสาคัญสอนตรงนี้ยมถ้าเอาต่อยานถ้าผิดหวังนะมาว่าวานผิดหวังเนี้ยวัดนี้มีแต่ญาณถ้าหากว่ายมพาหนะแลลว่ายานจะถู ก, กเรือก็เรียกว่าพาหนะยมมีรถถ้าไป พร้ายไปรถอีกันเป็นยังไงจะถึงกรุงเทพมารถอีกันระวังนะไม่มีไฟด้วยนะระวังนะรถอีกันแต่วัดนี้คงไม่มีรถอีกันมีรถคอยตรวจเครื่องอยู่เสมอน้ำมันเกียรดีไหมน้ำมันเครื่องดีไหมตรวจโน่นตรวจนี่ตรวจน้่สุขภาพอนามัยจะจะได้สงสารเสริมสุขภาพประการไดขอฝาสญาตโยมไว้โดยทุนก า, าร เึงจะบอกว่าเนี่ยวัดนี้ไม่มีอย่างอย่างนั้นไปบอกต่อต่อไปลงหนังสือพิมพ์ออกทีวีช่องยี่สิบไม่ได้ขอฝากไว้ไม่มียานอย่างที่โยมเข้าใจยานต่อยานไปยานทุกข์ 6. วัดนี้คือยานแปลว่าภาหานะจักคุ้งอุทปาทิยานันจักคุ้งอุสปาทิปัญญาจักคุงอุตตปาทิวิ ช, ชา จักขุ้งอุตตปาที่อาโลโกโ อ, อยู่ที่ไหนทำมาจากขพวัตนูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องโครงเลยงอย่างนี้ถ้าโยมมาต่อยามแบบภานะต้องการจะภานะที่โยมมาเกิดเป็นมนุษย์สยชนหน้าตาสวยทุกคนเช่นนี้นั้ น, ต, นต้องมียาจักขุ้งอุตตะปาที่ยาหนังต้องมียาภานะมา ญ า, าณทนะคือศีนสมาธิปัญญาสามารถจะเกิดเป็นมนุษย์สยชนกิจโฉมนุษย์สัพพิลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์โสพาพาโฉพาผีหน้าพาดีๆทุกคนมี่ญาณคืออันนี้จกคุ้งบุธปาที่ปัญญาถ้าไม่มีปัญญามาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แน่แน่จะคุ้งบุธปาชีวิตชา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 จับคุ้งูตาลาที่อาโลโก่ไม่จำกัดการไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวยไม่จํากัดสาวแต่แท้แม่ไม่ถ้าเข้าใจแล้วทําได้ทุกประการนี่สอนตามๆถ้าโยมจะไปต่อยานไปวัดอื่นแต่วัดอื่นวัดนี้ไม่มีญานให้มีแต่ทาหนะต้องการศีลสมาธิปัญญา ต้องการเดินทางไปให้ถึงว้าฟังให้เราลอดจากความทุกข์ความโศกคุยโยกไทยมีจิตใจเบิกบานหันษาให้จิตใจลื่นหรือดีตรีไป ด, ดกยิตยกบนไอจาตรงนี้เป็นยานคงหลักเนี่ยมาม า, มาบอกอ๋อเดินรงคลอมที่ไหนโน่ในตาโอ้อไม่ได้ฉันจะมาอยู่แล้วฉันเดินรงคลมที่พรมนะในห้องแอร์ด้วยเ น, นนะ่ะ เท้าเปล่าก็เดินไม่ได้ต้องไปที่อื่นองคสมเด็ดจพระสัมมาสระพุทธเจยาของเรานั้นเป็นจกกักรพรรดิเป็นพระรลชสมุดของพระเจา้าสุโทธทนะเป็นลูกพระมหากษัตริย์ลงยังเสียละออกยังอลาญวาสีขเด็จออกบรรพชาอยู่ที่โคนไม้หลูอ่ขอมูลเสนาสนางมิสายาปพชากั ต, ะตะเตยาวชีวงังอุชาโฮก็นิโย อาทีเลกะลาโพออกไปหาที่สงบที่โคนไม้เรือนล่างว่างเปล่าที่พื้นแผดิ้งปัตตพีดดเพื่อจะสร้างอูศรเดินจงกรมมีความหมายอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าในห้องอาแล้วก็รับข้าวเย็นด้วยรับผลลหมากรากไม้อินน้ำทําลานก็ไม่ต้องมาวัดนี้นะมาวัดนี้มันโอดยาป่าแพ้พระพุทธเ จ, จ้าบอกกินน้อย นอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากถึงจะเป็นหลักวิเดเยนะทุกขามาเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเท่านั้นราะคนไหนไม่มีความเพียรจะไม่พ้นทุกข์แต่ประการใดเทกดลยรัดมั่งกามฐานใน ห, ห้องแอร์ไปมันจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่รู้จับของจริงหรอดูของปลอมมันมันเย็นด้วยแอ มันไม่เดืเย็นด้วยน้ําใจมันไม่เดืเย็นด้วยธรรมะมันเย็นด้วยแอร์นั่งร้อนโดนแดดหน่อยก็ไม่ได้ไปนั่งสวนตาให้ไอแสงตะวันส่งหน้าหน่อยไม่ได้เลิกแล้วม้วนเถื่อขอลาแม่ใหญ่กลับเคหะสถานต่อไปใช่ไม่ได้หนี่หรือมียานยานอะไรอ่ใช้ลดอีจฉันต่อไปเยอะอ้อฝากไปเสียใจกับเจ้าโยมที่ต่อยามเช่นยามต่อมา ยื ừ, นหนอได้ i ไหมเห็นหนอว่าคนนี้นีนใสเป็นยังไงนี่สอนตำตำเท่านี้นะทําได้ไหมทําได้ไหมเห็นหนอเห็นว่าคนนี้มีใสัยดีหรือไม่ดีว่าคนนี้จะตายเมาายื่อไรไปโลกมะเร็งไม่เป็นกฎแห่งกรรมไหมนี่สอนตำฉาสอนชั้อ น, นอนุบาลถ้าต้องการจะสูงต้องไปที่โน่นที่เขาสอนกระชุงสู ง, สงที่วัดอื่นถ้าวัด น, นี้สอนชั้นอนุบาลถ้ายมต้องการโรงเรียนอนุบาล ใส่ขวบเชิญได้นี่ใส่ขวบทั้งนั้นเลยนเใี่ยขวบทั้งนั้นเลยเชิญทะเลาะใส่ขวบแล้วมันไม่เอาไหนใส่ขวบไม่เอาไหนขอฝากไว้เลยสอนก็ยากปากก็แห้งแรงน้ําใจขอฝากไว้โค้นที่เชื่อง่ายสอนอยากนะไอ้ค้งเชื่องเชื่ อ, อยากสอน้าขอฝากไว้เชื่อง่ายเจ้าข่าเจ้าพระเจ้าข่าใจพระปากลื่นปากยาวไม่มีทางเลยฝาก อาตระทูหูกระทะไม่อยาเชื่อนาว่าคนนี้ไม่ดีเชื่อเลยว่าคนนี้ไม่ดีเชื่อเลยไม่ใช่บัณฑิตบัณฑิตต้องเชื่อคนยากบัณฑิตต้องเชื่อคนยากต้องเชื่อดเหตุเชื่อผลการลามาสูตรสอนไม่ชัดเจนอย่าเชื่อข่าวเล่าลืออย่าเชื่อครูที่สอนต้องเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อคนและวิธีที่เรามีเหตุมีผลอะไรชั่นอะไรยาวอะไรที่จะเป็นเหตุอะไรจะเป็นผล ออกมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้อาจจะมาขอเตือนพรขอไปบอก่อาติเนาะพูดมาหลายวันพระเนี่ยอาจจะต่อยามอย่ามาวันนี้ต้องการจะสอนคนสี่ขวบที่มีนัาพระพักเพลมี่าตทั้งสี่ครบภาวะถูความเป็นกปกติครบอย่าโยมเสียหลายจิตจะสงบได้ทาอย่างไรจิตที่ม่สงบนะมีเหตุผลสี่ประการตอบได้ไหรือไม่ นี่ชั้นอนุบาลต้องตอบนะอนุบาลตอบว่าสิงคืออะไรที่มาปฏิบัติเนี่ยสิงคืออะไรและธรรมะคืออะไรบางค้นตอบสวยเลยธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรและเราไปสั่งสอนธรรมะและเรากรับไปมีธรรมะหวานนอกใจเลยไปด้วยไปเขียนออกไปนะนี่หลือท่านสาธุชนพุทธบุตจทั้งหลาย แบบฟาร์มทำงา น, นวันนี้พระสงฆ์ศีลกามาเป็นพยานให้เราเราเคยไปเข้าขึ้นเสาศิลึ์ศีลศิยาเจริญมคิริผลมาแล้วไปบ้านไอ้คำมินที่เนี่ยชาบมันวุ่นน้ำลายรถหลังแล้วแพ้แม่ตาไอา้คำมิงเห็นพระก็จะฆ่าพระวันนี้พระศีลกาไล่าฟาร์ว่าเดี๋ยวนี้มันจะฆ่าพระแต่เรามีแม่ตาชนะไดะโจลลัง ยอมจะตอบไม่ล่ะโจลังแปลว่าอะไรจนแปลว่าปราศจากแม่ตาจำไว้ได้เขียนต่อไปโจลังแปลที่าปราศจากแม่ตาเลแล้ว ค, คือไอ้คมินหิงข้ามันพยายามฆ่าพระทํำลายอยู่ตลอดเวลาตามแต่แค่เมตาตมาเล่าให้พระฟังวันนี้นะบอกว่าไปไอ้คมินชา่ามันวูดนําลายลรถรางแล้วเอาหอบเอาดาบมันจะฆ่าเรา แล้วก็เรากำลังหยิบน้ำตลอดวันก็จะอดน้ำตายโยมพู้ถึงน้ำนะจ๊ะ้าอดน้ำเสอย่านไรชส้นชีวิตขาดน้ำาคือชีวิตขาดคู่เคิดชีวิตยังอยู่เพราะัาด้ำไห ล, ลด้วยมีเหตุผลบางคนไม่โฉมใจในเรื่องนี้แต่ประการได้ ตมาพ่อได้ทำรามาสอนพ ร, ระสงฆ์องคาแห่เมตตาให้คำินกลับขยบเอาน้ำร้อนเอาน้ำชาซีรอนมาถวายทั้งข้าเลี้ยงแฉ่ที่ไราเคยเลี้ยงโอเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าเอามาเลี้ยงเรานั่นคือบุญของเราที่เราบริจาคไปก็กลับคืนมาก็ขอฝากที่นอนกจะมาถามเมตตาตัวเลี้ยงค่นีโซลัง ขอฝากไว้เนี่ยนี่พื้นถานเะนี่ยสอนต่ำๆพยายาจะไปต่อยามก็ไปวัดอื่นเนี่ยสอนอย่างนี้ทได้ไหมอนุบาลเนี่ยทำได้ไหมขอากได้ทาไม่ได้แล้วมาถามอาจะมาต่อไปอีกละที่หอประชุมกัไม่ตอบทำกรรมฐานได้ไรมาหลับตาได้ไรเนี่ยมองหนอได้เลยขึ้นมาถามอย่า ง, งโง่โง ถามอย่าง so โง่ทำกรรมฐานมันก็ได้กรรมฐานี่ทํานามันก็ได้ขท่าวเนี้ยทำขามันก็ได้เงินะดีถูกเนี่ยแล้วบอกทําตะานทำกรรมฐานได้อะไรหมาหอยางถวยไอ่เนาถามนะแต่ข้างในลเป็นยังไงนี่โง่เนี่ยลองบอกฮะทำกรรมฐานได้อะไรฮะแล้วมาหลับตาได้อะไรฮะนตอบอย่าไปกอบไอ้คนโง่ ตอมันจะไปโลเลียงเด้อทำกรรมฐานก็ได้กรรมฐานกรรมฐานยังไงอ่ะต้องอสอบถามต่อไปอีกไม่เคยมา ท, า ท, มาทําหรือยังเสียบมาถามแม่นาะพี่นายเนี่ยไม่เคยทยําไม่เสียบมาถามและไม่เคยเห็นมาระวังนะพวกมีนาเนะอ่าไม่ยายไม่จำชื่อมีนาอยู่ทำไดาหมาอยู่ที่ไหนเด็กที่ไหน ตั mean, ้งแต่ฉันซื้อ่ายังไม่เคยออกไปดูเลยนี่แบบเดี่ยวกันอย่างนี้แบบเดียว